เขาเล่าเรื่องวิญญาณในโลกวิญญาณในอดอยากเขาปล่อยมาสองวันอิหลีวันเข้าประดับดินกับวันเข้าสาดนี่วันที่ยีบเจ น, นี่วันเข้าสาดไงยมโลกเขาปล่อยมาสองวันปล่อยมาหาอยู่หากินน่ ล้วก็ฟังดูเด็กคนนี้มันมีมันไปรู้ไปเห็นมาหรื อ, รอมัน ร, รือมันถูกใครสอน <c oughs> มันนั่งพูดฉอดๆอดอดอเลยนะเขาว่าในตัวเขาเนี่ยมีวิญญาณสี่ห้าวิญญาณอยู่ด้วยวิญญาณเหล่านี้เป็นวิญญาณอันตรพานที่ที่อจาจารย์ไม่เอามุมัด อมอมัดมาทรมานแล้วมาสอนให้มันทําบุญวิญญาณพวกอันตพานวิญญาณอันตภานก็เหมือนคนอันตภานบ้านเรานี่แหละเกะกะร่ารานชาวบ้านชาวช่องเขาไปโลกวิญญาณมันกลายเป็นโลกใหญ่เลยนะมันไม่ใช่โลกเล็กๆโลกวิญญาณ พวกที่ยังไม่ได้ส่งไปเกิดยังไม่ได้เกรดยังไม่ได้กิจไดขั้นเราจะลองหรือจะขึ้นยังไม่ได้ตัดสินอยู่ระดับนั้นก็มีอยู่ระดับตัดสินแล้วยังร้องลอยอยู่ก็มีเป็นสัมภเวสีต่างคนต่างไปเห็นเหมือนกับไปเห็นเหมือนกับตาบอดครลมช่างอะบางคนไปคลำตีนบางคนไปคลำงวงบางคนคนก็ไปคลำหู คนเคไปคลำหางช้างมีลักษณะยังไงนะแปรแปเหมือนกับตาดปัดบางคนก็บอกเหมือนกระสอบไปคลำชา้าไปคลำตีนมันเหมือนกระสอบข้าวมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคนที่ไปก็ไปเห็นคนละอย่างแต่ก็จะลักษณะคล้ายๆกันคล้ายคล้า ผู้ลักษณะคล้ายๆกันเรื่องเรื่องไม่มีกินนี่เราฟังของสนอเนี่ยสนอจินดารัตเนี่ยเขาวานี่แกทําบุญให้ทานสร้างกุฏิสร้างวิหารสร้างโน้นสร้างนี้สร้างอะไรถบายสังกรทงสังกทานแก่ทำไม่อ ด, ไ ม, อดไม่อัน้นอาหารอะไรดีแกทำททำทำทำตอนแกตายไปเนี่ยอู้อาหารสำหรับกับข้าวนี่เต็ไมไปหมดบางคนไม่มีอะไรจะกินนะ บองคนหมาก็ไม่มีอะไรจะกินให้กิน ก, ใก็ให้ก็กินไม่ได้ <c oughs> บุญของไข่ของเราเขาสั่งด้วยนะตอนกลับมาเนี่ยเขาสั่งไปบอกด้วยบอกคนที่อยู่ข้างหลังยังไม่เลยยังไม่เคยไปเห็นเนี่ยให้ทุกอย่าททำบุญให้ทานการทำบุญให้ทานไม่ใช่เราเราเชื่อถือตามประเพณีเฉย เวลาเราตายไปแล้วมันไปทุกข์ไปยากจริงๆไม่มีอะไรกินคนไม่มีจิตใจกลัวแพ้เห็นแก่ตัวด้วยแล้วนี่โอ้อดอยากเลยเหมือนเข า, เาว่าวยเจ้าเผากระดานไปเห็นแต่ขี้เท่ากระดาษเต็มไปหมด <c oughs> ของจริงไม่เห็น คือกรรมเหล่านี้ทำไปแล้วมันฝังไว้ในใจของเราไม่ต้องมีใครบันทึกเอาไว้ดอกแต่ในโลกในโลกนั้นเนี่ยมันมีแกตายไปแกไปเห็นบ้านแกงา ม, งามหลังบ้าใหญ่เลยว่ายังไม่ถึงคราวอยู่จะเข้าอยู่ก็อยู่ไม่ได้แกพยายามจะเข้าเขาก็ไม่ให้เข้าบ้านหลังงามมากว่างั้นนะอยู่ชั้นที่สไลม์ไม่รู้นะ ชั้นที่11บเหรือชั้นอะไรเนี่ยสวรรค์2ี่ชั้นนะแกไปเห็นนะมไม่ใช่ไม่ใช่มีแค่20ชั้นแบบแบบที่เราเรียนกันที่เราเรียนกันนะสวรรค์20ชั้นกามาภิจญร6 รูปาไปจร์อรูปาไปจรเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่เนี่ยดืมแล้วเพืเ่อนไปเห็นหมดแหละ ว, ว่าจะเข้าไปว่าจะเข้าไปพอพยายามดื้อจะเข้าไปไอทหารคนที่เฝ้าเนี่ยแปลงร่างทันทีเป็นยักษ์มักใหญ่เลยทำท่าหน้ากลัวแท้โอ้ต้องต้องรีบเดินหนีว่งั้น <c oughs> อยู่บนนั้นมันศักศดิ์สิทธิ์เด้ ฝืนไม่ได้คำพูดยังไงเป็นยังงั้นโลกโลกสัจจะโลกศักดิ์สิทธิ์ไอพวกที่ไปตกในรกอาวจีนนั่นแหละเวลาหิวเขาก็ตักน้ำทองแดงในะกรอกให้เวลาหิวก็ตักกรอกให้ตักกรอกให้แส่บไห้น้ำทองแดง <c oughs> คนในโกพวกอาวัยจีคือความเลวร้ายของจิตของเรานั่นแหละ มันเคยฟังรกรากตั้งแต่เรสมัยเราเรามาสร้างกรรมมันก็ฟังรกฝังรากของมันไว้มันไม่มีเรื่อมเลือนลางไปไหนพอตายไปแล้วตัวนั้นไปโผล่นี่เคยทำเอาไว้เคยสร้างเอาไว้กรรมอย่างนี้ก็ยังใครถึงใครใค ร, ใครทำกรรมไม่ดีมากคนนั้นก็ไปได้รับไม่ดีมากใครทํากรรมดีมากกรรมดีก็สนองมากเพราะฉะนั้นในโลกความเป็นอยู่เนี่ยอาชินกรรมเรา ทำหากินพื้นๆธรรมดาไม่ก่อกวนไม่เบียดเบียนไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดอะไรถือว่าอยู่สุขส บ, บาย อ, อจินตกรรมเหล่านี้มันก็ฝังรกรากเอาไว้พอเราตายไปก็เป็นคนเสมอๆไม่ทุกข์ไม่ยากไม่จนก็ทําบุญก็ทําให้เขาให้ทางก็ให้เขาภาวนาทํำมาขเขาเดินยังกลมทํำมาเขาเขาได้อะไรพอจะได้กับเขา แตระเพดพระเพดเขาไม่เชื่อเลยเนี่ยเกะกะร่ารานชาวบ้านชาวช่องเขาเนี่ยเคยสร้างอยู่ในที่นี่ยังไงตายไปแล้วก็ไปฟังรกรากไว้เงี้ยฟังรกรา ก, รากไว้ตั้งแต่เป็นอยู่นั่นแหละยัยงชอบเล่าเนี่ยชอบเป็นชีวิตจิตใจเลยตายช่างมันตายช่างมั น, ต า, ามนตายเพราะเล่าช่างมันเกิดชาติใหม่ก็ไม่มีจิตใจเป็นของตัวเองหดอกโดยเหตุที่ชอบเมาเนี่ย มันก็จะได้กรรมประเภทออย่างหนึ่งมาเมาหลงอยู่นั่นแหละไม่มีจบขาดสติขาดสัมพสจัญญาขาดคุณสมบัติเพราะอะไรเพราะชอบมันชอบอยางไงมันก็น้อมไปอย่างนั้นกรรมมันกลายเป็นวิบากกรรมไ ม, ไม่เห็นนี่แหละเราไม่เห็นแต่ถ้าหากเราใช้ปัญญาพิจารณาสักหน่อยมันก็เห็น ใครอาจหารเรื่องการสร้างกรรมโดยไม่คำหนึงถึงผลตอบแทนเนี่ยคนนั้นหลยมักจะเจอท่านจึงให้ใช้ปัญญาก่อนจะสร้างกรรมอะไรลงไปให้ใช้ปัญญาไขครัวให้ดีกลัวเอาไว้เนี่ยดีที่สุดอันนั้นบาปนะอั น, นั้นบาปนะอันนั้นเวนกรรมนะอันนั้นเวนกรรมนะกลัวเอาไว้เนี่ยดีที่สุดยังไม่พบยังไม่เจอแต่กลัวเอาไว้กลายเป็นเบรกเป็นห้ามล้อ ถ้ไม่กลัวมันจะอยากรู้อยากรู้อยากรู้อยากรู้อยากเห็นอยากลองอยากรู้อยากเห็นอยากลองถูกมัดคอซะก่อนน่นนั่นจากลองแล้ถูกมัดคอซะก่อนถูกมัดคอซะก่อนนั่นเราดูแต่ความเป็นอยู่ของเราเนี่ยเรามีความสุขเรามีความสุขกับอะไรเรามีความทุกข์กับอะไร ลอยทางลอยความทุกข์เราย้อนไปมันขาดคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดคือขาดศีลศีลขาดศีลขาดก็เป็นเหตุให้เราเริ่มขาดคุณสมบัติคุณสมบัติริดลอนคุณสมบัติของตัวเองริดลอนไปเรื่อยริดลอนไปเรื่อยริดลอนไปเรื่อยขาดคุณสมบัติคุณสมบัติที่เราขาดนี่แหละมันมากัดกร่อนหัวใจของเราให้ทุกข์ ทุกขกับน้ำทุกขกับนี้นทุกข ก, ก, กับสารพัดที่สาคัญที่สุดไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาที่จะรู้จะเห็นจะเข้าใจนี่สคัญที่สุดปัญญาจึงเป็นแสงสว่างไม่มีแสงสว่างมันหมดึดตึบ ปัญญาเป็นแสงสว่างของชีวิตมีความรักปัญญาแม้เพียงนิดหน่อยสนใจเอาไว้สาะสแสวงเพิ่มเติมเอาไว้เจาะประกายเข้าไว้มันก็รูสว่างเท่านี้เท่านี้เจาะสว่างไปเรื่อยสว่างไปเรื่อยสว่างไปเรื่อยสว่างไปเรื่อยปัญญาคือความฉลาดฉลาดทั่วทไปยังไม่ได้ยินได้ฟังยังไม่ได้ฝึกอบรม ฉลาดมาทำแนวพุท ธ, ธนี่สำคัญที่สุดคือค่อยมารู้สึกตัวรู้หลักของสัจธรรมฉลาดตามแนวพุท ธ, ธเริ่มรู้จักหลักของสัจธรรมฉลาดทั่วไปก็คือจิตมันดิ้นรนไปรู้ไปเห็นไปนู้นไปนี่สารพาัดแล้วแต่มันจะเห็นแต่ฉลาดตามหลักพุท ธ, ธที่แท้จริงเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นสัจจะ เห็นสัจเห็นสัจธรรมเมื่อเราเห็นสัจธรรมแล้วก็ยอมรับสัจธรรมการถือเนื้อถือตัวก็จะเบาลงไปเบาลงไปการสังพานธ์มั่นหมายก็เบาลงไปเบาลงไปเอาความจริงเป็นเครื่องตัดสินเฉพาะหน้าความจริงประจักษ์เป็นเครื่องตัดสินพระรยาเจ้าตั้งแต่ระดับโสดาบันเป็นต้นไปเห็นสัจจะแจ้งโรคโดยใจของตัวเองขั้นหนึ่งระดับหนึ่ง เหมือนเราเห็นอะไรกับตาเราชัดๆนี่แหละใครมาโกหกก็ไม่ได้ปักใจเชื่อเห็นอย่างนั้นเห็นของจริงนี่แหละของจริงละแหละไม่ใช่บู้ลอมหละแจ้งประจักชัดเจนทําลายความถือเนื้อถือตัวไปได้โอไม่มีตัวการยึดการถือทําให้เกิดปัญหาตามมาสารพัดการยึดการถือตัวเองนี่เนี่ยทาให้เกิดปัญหาตามาสารพัด เพราะมันมียึดถือตัวเองและมันมียึดถือสิ่งอื่นอย่างอื่นอันนี้เราอันนั้นของของเราอันนั้นเพื่อนของเราพ่อของเราแม่ของเราพี่ของเราพวกพอของเราความทุกข์ทั้งหลายมันมาตามนี้แหละมันมาตามไอ้ของของเรานี่แหละความทุกข์ทั้งความทุกข์ทั้งหลายมันมาตามนี้แหละมันมีเส้นสายที่จัดดึกทุกมามากมายมหาศาลที่จะเอาจิตปลงให้เห็นสัจธรรมเน่มันไม่ปลง มันป้องไม่ถึงมันเข้าไม่ได้ตันหามันตีออกปัญหามันตีหลุดไม้หลุดมือไปการศึกษาธรรมจึงเป็นการเข้าหาความสว่างความสว่างสาคัญที่สุดทำลายความโง่ความไม่ฉลาดความความง้อความไม่ฉลาดมันปิดบังสัจจะ มันปิดมันปิดบังผลประโยชน์ที่จะพึงอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นมันปิดบงังมันไม่มีปัญญาสิ่งที่ตามมาก็คือโงอ่ไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นขี้เกียจเพราะไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้จะไปทำทำไมขี้เกียจขี้เกียจคือไม่ขยันไม่ขยันกันคือขี้เกียจ ไม่ขยันก็คือมองไม่เห็นผลคนที่เขาเขายันเขาเห็นผลทำํำนี้ได้ผลนี้ทํำนี้ได้ผลนี้ทำนี้ได้ผลนี้เอ๊ะเราต้องการผลอย่างนี้ทำํำอะไรจะได้ทาํทาทาํทาทำทำทไม่คนันนึงเจ็บเหนื่อยยากลําบากขอให้ได้ผลที่หวังเอาไว้เพราะอะไรเพราะเขามีเขามีปัญญามองทะลุไปถึงผลแต่สำหรับเราไม่มีปัญญาเรามองไม่ทะลุเห็นแค่นี้เห็นแค่ตาเห็นเนี่ย เห็นแค่หูได <Hey. S 1> ้ยินเห็นแค่อะไรสัมผัสอยู่แล้ตัวเราแค่นี้แหละไม่มีปัญญามองทะลุสิ่งที่จะวาดไว้ในอนาคตไม่มีสิ่งที่ล่วงไปแล้วในอดีตก็เอามาใช้ประโยชน์ถ้าเกิดประโยชน์ไม่ได้ปัจจุบันมืดตึบเมื่อรู้จะเดินหน้าหรือไม่รู้จะถอยหลังเห็นไหมมันปิดบังประโยชน์ไปหมดประโยชน์คือความสุข ประโยชน์คือประโยชน์ประโยชน์คือความสุขที่หมายเอาไว้ไม่ได้ว่าแต่มันปิดบังและมองไม่เห็นมองไม่ทะลุว่าเราจะได้อะไรแต่คนเขามีปัญญาเขามองทะลุหมดเหมือนคนเหมือนคนรวยเขามองอะไรเห็นเป็นเงินเป็นทองไปหมดคนรวยคนมีปัญญาเขามองอะไรเขาเขามองทะลุไปหมดมองเห็นเป็นเงินเป็นทองไปหมดเรามองไม่เห็นอะไร เรามองเห็นเป็นดินเป็นไม้เป็นผาไปตามเรื่องเห็นทักษิณฉลาดไหมเขามองอะไรมองเห็นเป็นเงินเป็นทองไปหมดเองไหมโอ้อันนั้นก็เป็นเงินเป็นทองนี่ก็เป็นเงินเป็นทองเขาก็ไปจับเอาหมดอ่ะล่ะนะไหมเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นทุนไอ้พวกนี้เอาบ้านเอาที่ดินไปไว้ใน ธนาคารมุดเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นทุน ไ, ไอเขามันหัวธุรกิจหัวนักธุรกิจไอเรามันไม่ใช่หัวนักธุรกิจไปเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นทุนก็แจ้งหมดมีนาทีกีทุ่งก็แจ้งหมดมีควายมีวัวมีบ้านเท่าไหร่แจ้งหมดมันจะไปเอาอะไรทันเขา ทานเขาไม่ได้เขาละเอียดเขารอบคอบเขาปัญญาอันนี้ได้มาส่วนนี้ต้องกักเอาไว้ต้องตุนเอาไว้ส่วนนั้นเอาไปได้ส่วนนี้ต้องกักเอาไว้ต้องตุนไว้ต้องเผื่ อ, อนี่เผื่อ น, นี่หมดหลุดอันนี้ไปแล้วอันนู้จะไม่มีอะไรยืนรองเอาไว้เขามองทะลุผุโปร่งหมดพ่อหน้านั้นมาพ่อหน้นั้นมามาโผลได้อนี้พ่อันนี้นนนมาโลได้อ น, นั้นเขามีปัญญาบุญอย่างหนึ่งของเขา แต่บุญที่สําคัญที่สุดบุญสัมมาทิฏฐินี่บุญสําคัญที่สุดบุญไม่ต้องร่ํารวยพออยู่พอกินพอเป็นพอไปรู้สแสวงหาสัจธรรมข้าสูงไว้ใจทําลายความหลงพบชาติของตัวเองนี่สำคัญที่สุดเพราะหลงพบชาตินั่นแหละจึงเกิดไม่มีไม่ไม่มีจบไม่มีที่จบไม่มีจุดจบเกิดมาแต่ละพบแต่ละชาติมาแบกภาระดูสิกองทุกเงินเท่าไหร่ทุกตัวเอง ทุกขก บ, บวงมามัดมือมัดตีนมัดคอทุกเท่าไหร่รู้ิความทุกข์เหล่านั้นเลยกลายเป็นชีวิตจิตใจหายใจเขาออกอยู่แต่กระกองทุกข์เหล่านั้นปนัณละยังคิดไม่ออกว่าสิ่งเหล่านี้เราทำเองไม่มีใครสร้างไม่มีใครทำยังคิดไม่ได้ยังคิดไม่ออกโอกาสที่จะปลดปล่อยตัวเองปลดเปรื่องตัวเองไม่มีมันมองไม่เห็น ปัญญามาติบตันทำบุญแล้วก็ที่ฐานเอาใช้จิตใช้ปัญญาพิจารณาเนี่ยจ่อมาที่จิตของตัวเองนี่แหละให้มันสงบจ่ออยู่คำนั้นน่ะเดี๋ยวเจอของดีจ่อเข้ามาที่จิตของตัวเองนี่แหละจ่ออยู่นั้นเรื่อยๆจ่ออยู่นั้นเนืองๆทำไเรื่อยๆนับทํำเนืองๆทำบ่อยๆทําบ่อยๆ ภาวิ player, วตาภาวลีกตาทําจนได้ทําจนเปลี่นท่านทําไปแล้วท่านเปลี่นไปแล้วท่านพ้นไปแล้วเราทํายังไม่ได้ทํายังไม่เปลี่นมันไม่ได้ไม่เปลี่นเพราะมันไม่ถึงทําไม่ได้ทําไม่เปลี่นทําด้วยเรียวแรงทําด้วยเอาชีวิตเป็นเดิมผ่านเอาไปเอาตายเข้าใส่ถึงขั้นไม่เดินถึงขั้นไม่ถึงขั้นไม่นอนเดินนั่งเดินนั่งเดินนั่งเดินนั่ง ยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งหรือนั่งนั่งฟาดทั้งคืนนั้นตั้งแต่ยังไม่มื่จนสว่างนั่งสู้ความเจ็บปวดนั่งต่อสู้เวทนาโรคืนเดียวโระจิตโระด้วยต่อสู้ขนาดนี้ขัดเกลาขนาดนี้เอาเป็นเอาตายใส่ขนาดนี้ ถูไม่ให้เกิดไฟถูยังไงมันถึงจะเกิดถูยังไม่เกิดอาจจะเอาอะไรมาเกิดเป็นไฟถูยังไม่ถึงขีดถึงขั้นถึงขีดถึงขั้นมันก็ติดเป็นเป็นไฟเองพระเจ้ยยาท่านสร้างบา ร, รมียังไม่เต็มท่านก็ยังยังท่านก็ยังไม่มาสร้างบา ร, รมีเต็มแล้วต้องมารอรอคอยจังหวะที่จะออกมาเบิกมาบานไม้แจ้งสร้างย่งสร้างเต็มแล้ว สมบูรณ์แล้วบริบูรณ์แล้วโดยระยะเวลาเสี่ยสรงขายแปดหยางขายสิพอกาสงขายแสนมหากัาบเนิ่นนานไหมเราบารมีของพระพุทธเจ้ามาและมาราพนงําพันตามท่านแล้วก็มาเห็นความขี่เกียจที่คลานของเราโอ้ยของเราจะได้อะไรของท่านอุตส่าห์พยายามถึงขนาด น, านั้นเราจะได้อะไรงอมืองอตีนนั่งหายใจฟอดฟอดทิ้งไม่ได้อะไร ควรจะได้ทุกลมหายใจเขาออกไม่เอาไม่เอาไม่เห็นประโยชน์ไอสิ่งเรวสามข้างในมันรุนแรงมันมีแรงมากสู้มันไม่ได้สู้กําลังมันไม่ได้จับอะไรใส่เข้าไปมันปัดออกจับอะไรใส่เข้าไปมันปัดออกพุทโธพุทโธใส่เข้าไปมันก็ถีบออกพุทโธใส่เข้าไปมันก็ถีบออกพอง ห, หนอยุบหนอใส่เข้าไปมันก็ปัดตกมือลอน ตกล่นทิ้งไ ม, ไม่ได้อะไรถ้าเราตั้งเหมือนกับพวกเราทําตามท่านกรรยหมายป้ายทางท่านป้ายเอาไว้แล้วท่านไปศึกษาเพื่อรู้เพื่อเห็นสร้างบารมีมาถึงขนาดนั้นเราแค่ท่านจับใส่มือพวกเราไม่ไม่ทำพวกเราไม่เอาพเราก็บ่นแต่ทุกทุกทุกทุกทุกทุกร้อนร้อร้อนร้อน ร, อน ร, อนรอน กอดกองไฟอยู่นั่นแหละร้อนร้อนร้อนนี่กอดกองไฟอยู่นั่นแหละจะปล่อยก็ปล่อยไม่ได้จะวางก็ว่างไม่ได้ร้อนก็ร้อนอยู่จะวางก็วางไม่ได้ไม่มีปัญญาเราคิดอย่างนี้ได้ประโยชน์น้าไอพร